ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐคือผู้ทรงมีพระความรู้ความสามารถที่ไม่มีใครในโลกนี้จะสามารถเทียบได้ทรงรู้สิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของพวกเรา และทรงรู้สิ่งที่มีโทษมีภัยต่อจิตใจของพวกเราจึงได้ทรงสอนให้พวกเรามาสร้างสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจและมากําจัดสิ่งที่เป็นโทษต่อจิตใจคําสอนของพระพุทธเจ้า นี่รวมลงไปมีอยู่สามข้อด้วยกันคือหนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละคือวิธีกำจัดภัยต่างๆและสร้างคนสร้างประโยชน์ ต่างๆให้แก่จิตใจคุณประโยชน์ต่างๆของจิตใจเรียกว่าทรัพย์ภายในพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พวกเรามาสร้างทรัพย์ภายนอกกันไม่ได้มาสอนให้พวกเรามาร่ำรวยกันมาเป็นใหญ่เป็นโตมารับรางวัลต่างๆหรือมาหาความสุขจาก สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความสุขปลอมเป็นทรัพ์สมบัติปลอมเป็นทรัพย์ที่เราไม่สามารถเอาไปกับเราได้เพราะไม่นานร่างกายของเราก็ต้องตายไปเวลาร่างกายตายไป เราก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเอาทรัพสมบัติต่างๆเอาความสุขต่างๆที่เราหามาได้ในโลกนี้เอาไปกับเราได้สิ่งที่เราจะเอาไปกับเราได้นั้นคือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ของเราเป็นทรัพย์ของจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ถ้าเรามัวแต่ไปสร้างทรัพย์ภายนอกไปหาทรัพย์ภายนอกไปหาความสุขภายนอกผ่านทางร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปเราก็จะไม่สามารถเอาทรัพย์ภายนอกความสุขภายนอกไปกับเราได้สิ่งที่เราจะเอาไปกับเราได้คือทรัพย์ภายในความสุขภายใน ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นสมบัติของใจที่จะไม่มีวันจากใจไปได้ใจไปไหนสมบัติภายในก็จะไปกับใจคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงวุ่งไปที่การสร้างทรัภ์ภายในรัภ์ภายในนี้ก็มีหลายระดับตั้งแต่ระดับ เทวรั์พรหมซั์และอริยศับเนี่ยนี่คือศัพที่เราจะเอาไปได้แต่ก่อนที่เราจะมาสร้างเทวซั์สร้างพรหมซัพ์สร้างอริยรั์ได้เราต้องรักษามนุษยศัพท์ไว้ให้ได้ก่อน คือเราต้องรักษาความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ของเราให้ได้ก่อนเพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะมีความสามารถที่จะสร้างทรัพย์ภายในต่างๆได้ถ้าไม่มีถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ mm hmm. จะไม่สามารถที่จะมาสร้างเทพัพต์พรหมทรัพย์และอริยทรัพย์ได้ผู้ที่ไม่สามารถสร้าง ทรัพย์ภายในได้ก็คือพวกที่ไปเกิดในอบายนั่นเองเช่นเดลชาน <c oughs> เปรตอสุรกายและสั ต, รรสตว์นรกรัพบภพชาติเหล่านี้ไม่ได้เป็นภพชาติที่จะเอื้ออำนวยต่อการทรัพย์สร้างทรัพย์ภายในผู้ที่จะสร้างทรัพย์ภายในได้ ต้องเป็นมนุษย์ต้องมีมนุษย์สยัญราซการที่จะเป็นมนุษย์หรือมีมนุษย์สยศัศราได้จำเป็นจะต้องละการกระทำบาปทั้งปวงคือรักษาศีลห้าและละเว้นอบายามุกต่างๆเพราะการทำบาปคือการหรือการไม่รักษาศีลห้าในะละการเสพอบายามุก เป็นเหตุที่จะทำให้จิตใจนั้นตกไปต่ำกว่าความเป็นมนุษย์นั่นเองคือตกไปในอบายที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของนรกถ้าไม่ต้องการที่จะตกไปในอบายจำเป็นที่จะต้องละเว้นจากการกระทาบาป ทั้งปวงและละเว้นจากการเสพอบายามุขต่างๆถ้าไม่ละเว้นการทำบาปไม่ละเว้นการเสพอบายามุขจิตใจก็จะเสื่อมจากมนุษย์ลงไปสู่เดรัจฉานเปรตอสูรกายและนรกถ้าจิตใจอยู่ในสภาพของเดรัจฉานเปรตอสูรกาย และนรกจะไม่สามารถที่จะมาสร้างทรัพย์ภายในคือสร้างเทพรัย์พรมทรัพย์หรืออริยทรัพย์ได้นั่นเองดังนั้นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อแรกจึงทรงสอนให้พวกเราละการกระทำบาปทั้งปวงบาปนี้ก็มีอยู่สี่ข้อคือหนึ่ง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 3. การเที่ยวเตรต่ทั้งทั้งวันทั้งกลางวันและกลางคืนสความเกียดครา้านหการครบกับผู้ที่ชอบอบายามุข ค, คบคนผ่านผู้ที่ชอบเสพอบายามุขเพราะว่าถ้าไปคบกับคนที่ชอบเสพอบายามุข เขาก็จะดึงเราไปเสพอบายมุขถ้าคบกับคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าชอบถ้าคบกับคนที่ชอบเที่ยวเตะเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเต่ถ้าคบกับคนที่ชอบความเกียดคร้าน เขาก็จะชวนให้เรามีความเกียรติ้านไปกับเขาถ้าเราเสพอบายามุขแล้วมันก็จะทำให้เรานี้จะถูกบีบคั้นให้ไปทำบาปต่อไปเพราะอะไรเพราะอบายามุขไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายต้องเสียเงินเสียทองพอเราเสียเงินเสียทองไปกับการเสพอบายามุข พอเงินทองหมดหรือไม่พอใช้มันก็จะทำให้เราคิดไปหาเงินทองด้วยการกระทำบาปนั่นเองเพราะเราจะไม่สามารถที่จะหาเงินทองแบบไม่ทำบาปได้เพราะมันจะได้ไม่ทันใจเหมือนกับการหาด้วยการกระทาบาปและหาได้ง่ายกว่าได้มากกว่าและได้เร็วกว่านั่นเองอย่างนั้น ผู้ที่เสพอบายามุกนี้มักจะไปทําบาปต่อไปถ้าไม่อยากจะทําบาปก็พยายามหลีกเลี่ยงการเสพอบายามุกแล้วเงินทองจะเหลือใช้เหลือกินไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําบาปเพื่อหาเงินทองมาใช้มากินแต่ถ้า เอาเงินทองไปใช้กับอบายามุขจะไม่พอกินจะไม่พอใช้แล้วก็จะทำให้ต้องไปทำบาปทั้งๆ ท, ที่อาจจะไม่อยากจะทำบาปแต่เมื่อเงินทองไม่พอกินไม่พอใช้ก็จ้องไปทำบาปเพราะคนที่เสบอบายามุขนี้ขี้เกียจไม่ชอบไปทำงานนั่นเองจึงต้องไปหาเงินแบบวิธีทำบาป ไปช่อโกงหลอกลวงลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือไปป้นไปจี้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองนี่คือเรื่องของอบายมุกและเรื่องของการกระทาบาปการกระทาบาปนี้มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันทำบาปเพราะความไม่รู้ ทำบาปเพราะความโลภทำบาปเพราะความกลัวและทำบาปเพราะความโกรธโกรธการทำบาปด้วยความไม่รู้ที่เราเรียกว่าทำด้วยความหลงก็คือพวกที่ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยการทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะคิดว่า เป็นเรื่องของการอยู่รอดที่จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็จะแล้วก็ทางกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายายิงนกตกปลาอาชีพเหล่านี้ทางบ้านเมืองไม่ถือว่า ิดไม่ผิดกฎหมายผู้ที่ทำบาปด้วยความคิดอย่างนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าเวลาที่ตนเองตายไปเวลาที่ร่างกายของตนตายไปตนไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่กระทำบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้ เป็นเหมือนกับเครื่องมือเท่านั้นเป็นเหมือนปืนเวลาที่คนเอาปืนไปยิงคนอื่นตายทางบ้านเมืองเขาก็ไม่ถือปืนเป็นผู้กระทําบาปเขาถือผู้ใช้ปืนนี้เป็นผู้กระทําบาปทางกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันเวลาที่เราทําบาปนี้ บางทีร่างกายจะไม่ต้องรับโทษเพราะกฎแห่งกรรมไม่ได้ถือว่าร่างกายเป็นผู้กระทาบาปผู้กระทาบาปคือจิตใจผู้ที่สั่งให้ร่างกายไปทำบาปต่างๆแล้วพอตายพอร่างกายตายไปผู้ที่สั่งยังไม่ได้ตายผู้ที่สั่งที่เรียกว่าจิตใจก็จะเป็นดวงวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆตามบาปที่ได้ทำเอาไว้แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าหาผู้รู้อย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่รู้เรื่องของจิตใจเพราะจิตใจเป็นของที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาของร่างกายก็จะคิดว่าตนเป็นร่างกายเมื่อทำ บาปหรือทำบุญแล้วเวลาตายไปพอร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปนี่คือผู้ที่ไม่เชื่อหรือไม่รู้ว่าผู้ที่จะไปรับผลบาปนั้นยังมีอยู่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วยังมีจิตใจผู้ที่เป็นผู้กระทำบาปผู้ที่จะไปรับบาป รับผลบาปต่อไปดังนั้นถ้าทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้คิดว่าไม่บาปหรือคิดว่าไม่มีผลตามมาจึงไม่กลัวบาปกันจึงกล้าทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนพอพอตายไปผู้ที่ทําบาปด้วยความหลงนี้ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานพวกสัตว์เดรัจฉานนี้เขาก็อยู่แบบ ด้วยการทำบาปทำมาหากินด้วยการทำบาปสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเป็นอาชีพของเขาผู้ที่เป็นมนุษย์ก็ทำเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนั่นเองถ้าทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดด้วยการฆ่าผู้อื่น อันนี้ก็เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานพอตายไปก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามกฎแห่งกรรมนี้จะทำหน้าที่โดยอัตโนมัติไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ต้องมีศาลมาตัดสินคดีพอทำบาปแล้วด้วยความหลงด้วยความไม่รู้จะมาขอ อภัยยโทษก็ไม่ได้จะต้องรับผลบาปเพียงอย่างเดียวผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังเรื่องกฎแห่งกรรมก็จึงถือว่าเป็นพวกที่โชคดีเพราะจะได้รู้ว่าทำบาปไม่ได้ทำบาปแล้วจะต้องไปรับผลบาปถ้าเชื่อก็จะหลีกเลี่ยงการกระทำบาป เปลี่ยนอาชีพอื่นเคยทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เปลี่ยนมาทำอาชีพอย่างอื่นก็ได้มีอาชีพอย่างอื่นมากมายที่สามารถเลือกทำได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปทำอาชีพที่ฆ่าผู้อื่นเพราะจะทำให้ตนเองนั้นจะต้องไปรับผลของการกระทําบาปเหล่านี้ น, นี่คือ เรื่องของการกระทำบาปด้วยความหลงหรือความไม่รู้กฎแห่งกรรมก็จะพาให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเพราะคิดว่าร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปกันร่างกายกลายเป็นขี้เท่าเวลาตายไปเอาไปฝังก็กลายเป็นโครงกระดูก แล้วใครล่ะเป็นผู้ที่จะไปสวรรค์หรือไปนรกแล้วสวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่ไหนอบายอยู่ที่ไหนก็ <c oughs> ไม่มีใครรู้ใครเห็นต้องมาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นผู้มีตาตาทิพหรือตาในที่จะสามารถมองเห็นนรกเห็นสวรรค์มองเห็นผู้กระทาบุญและกระทาบาปได้นั่นเองออนี่คือ ผลของการทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้จากกฎแห่งกรรมก็จะพาให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปส่วนพวกที่ทําบาปด้วยความโลภถึงแม้จะรู้เรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่รู้ก็ตามแต่ยังอยากจะได้อะไรมากๆได้อะไรแบบง่ายๆเร็วๆก็จะใช้วิธีการทําบาป ไม่ฆ่าสัตว์ก็รักทรัพย์ไม่รักทรัพย์ก็ประพฤติผิดประเวณีไม่ประพฤติผิดประเวณีก็โกหกหลอกลวงพอทำบาปด้วยความด้วยความโลภแล้วจิทตที่ร่างจิทตที่ร่างกายหลังจากที่ร่างกายตายไปจิตก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยเพราะความโลภนี้จะทําให้หิวโหวย มีได้เท่าไหร่มากได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอท่านเรียกดวงวิญญาณนี้เป็นพวกเปรตแล้วท่านก็วาดภาพของเปรตให้เห็นว่าเป็นเหมือนอคนที่มีปากเท่ารูเข็มท้องเท่ากับตุ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มจากพอเพราะกินได้ทีละนิดเดียว ปากเท่ารูเข็มเนี่ยจะดูดน้ำเข้าไปทีก็ได้นิดเดียวแต่ท้องมันเท่ากับโอ่องเนี่ยดูดน้ำเข้าไปเท่าไหร่กินเข้าไปเท่าไหร่ก็จะไม่รู้สึกอิ่มนจะหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาคนที่มีความโลภ ก, ก็แบบนั้นจะหิวจะอยากตลอดเวลาได้สิบก็ไม่พออยากได้ร้อยได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่นะ ได้แสนได้ล้านก็ยังไม่อิ่มไม่พอคนยังมีเป็นหมื่นล้านแสนล้านกันเพราะหิวเพราะความอยากแต่ถ้าได้เงินมาด้วยด้วยความสุจริตก็ไม่ถือว่าเป็นเปรตยังไม่ต้องไปรับโทษแต่ก็ยังเจอกับความหิวโหยจิตใจก็ยังจะหิวโหยไม่มีความรู้สึกอิ่มไม่รู้สึกพอ ทั้งๆ ท, ที่มีมากมายกายกองเพราะความอยากมันยังทำให้รู้สึกไม่อิ่มไม่พอนั่นเองอ น, นี่คือถ้าทำบาปด้วยความโลภจิตใจก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยตลอดเวลาเราเรียกดวงวิญญาณแบบนี้ว่าเปรตแล้วถ้าทำบาปด้วยความกลัว ว่าเขาจะมาทำร้ายเราเราเลยไปทำร้ายเขาก่อนทำบาปด้วยความกลัวนี่ตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความกลัวหุ้มหอยอยู่จะทุกข์กับความกลัวอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่าเอาศูนย์กายแล้วถ้าทำบาปด้วยความโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ตายไปก็จะไปนรกเพราะใจที่มีความโกรดนี้จะเหมือนมีไฟเหมือนถูกไฟเผาจรร่มร้อนอยู่ตลอดเวลาเวลามีความโกรธอาฆาตพยาบาทนี้จะกินไม่ได้นอนไม่หลับจิตใจนี่จะร้อนอันนี้แหละเป็นไฟเผาจิตใจที่เรียกว่าไฟนรกนี่คือ สภาพของจิตใจหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าไม่ละการกระทําบาปทั้งปวงถ้าไม่ละการเสพอบายามุขจิตใจก็จะตกต่ําจากความเป็นมนุษย์ไปลงไปสู่ภพของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของนรกและในขณะที่เป็นมนุษย์ก็เป็นเพียงแต่ร่างกาย จิตใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์เสียแล้วร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตอาจจะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนกรกายหรือเป็นนรกพวกนี้ถ้ามีจิตใจแบบนี้มักจะทําบุญไม่ได้มักจะสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมไม่ได้ มากจะไปภาวนาไปชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะจิตใจจะหมกมุ่นอยู่กับการทำบาปหมกมุ่นอยู่กับการเสพประบายยมุขต่างๆนั่นเองอพวกนี้จึงไม่มีโอกาสที่จะไปสร้างทรัพย์ภายในได้คือเทวทรัพย์พรหมทรัพย์และอริยทรัพย์ที่จะให้ความสุขความ จเจริญกาจิตใจตามลำดับนะแต่ถ้าสามารถรักษามนุษย์สยับไว้ได้รักษาจิตใจให้เป็นมนุษย์ได้ด้วยการไม่กระทำบาปทั้งปวงไม่เสพอบายมุขจิตใจก็จะพร้อมที่จะไปสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆเรียกว่าทาบุญทำทาน ให้ความสุขแก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนด้วยวิธีการต่างๆจะเป็นการทำบุญด้วยการสละทรัพย์สละกำลังกายหรือสละความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล ทำบุญทำทานได้ทุกรูปแบบมันจะทำกับวัดก็ได้ทำกับโรงเรียนทำกับโรงพยาบาลทำกับบุคคลเช่นบิดามารดาพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายหรือจะทำกับผู้ที่ยากไร้คนตกทุกข์ได้ยากผู้ที่เป็นคนพิการคนชราคนเจ็บไข้ได้ป่วย หรือแม้แต่ทำกับสัตว์เดรัจฉานปล่อยนอกปล่อยปลาถ่ายชีวิตของวัวควายอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมการทำบุญทำทานการสร้างบุญสร้างกุศลนี้เป็นการสร้างทรัพย์ภายในเรียกว่าเทวทรัพย์ผู้ที่สร้างทรัพย์ภายในได้และ ไม่กระทําบาปต่างๆได้เวลาที่ร่างกายตายไปใจก็จะไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆที่มีอยู่หกชั้นด้วยกันชั้นจาตุมเชั้นดาวชั้นดาวะดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิ ม, มานชั้นปารานิมต่างๆนี่คือชื่อของสวรรค์ชั้นต่างๆที่มีความสุข อลถมากขึ้นไปตามลำดับของบุญที่ได้กระทําไว้ทําบุญมากก็จะได้ขึ้นสวรรค์สุดที่สูงที่มีความสุขมากทําบุญน้อยก็จะได้สวรรค์ที่มีความสุขน้อยนี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม กฎของการกระทําบุญไม่ทําบาปนีผู้ที่ต้องการไปเป็นเทวดาจึงต้องไม่ทําบาปไม่เสพบาเยามุกแล้วก็ต้องพยายามทําบุญทํากุศลอยู่เรื่อยๆ เ, อเช่นทําบุญตักบาตรทุกวันหรือจะทําบุญชนิดอื่น อ, อย่างไหนก็ได้แล้วแต่ความพอใจ บางคนก็ชอบช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นชอบไปไถ่ชีวิตวัวควายชอบปล่อยนอกปล่อยปลาก็ทำไปเป็นบุญเหมือนกันเป็นกุศลเหมือนกันทำให้จิตใจเป็นเทวดาขึ้นมาเหมือนกันบุคคลสิ่งบุคคลที่รับการช่วยเหลือนี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะกำหนดบุญกุศลตัวที่จะกำหนดบุญกุศลอยู่ที่การเสียสละ ความสุขความสุขและประโยชน์ของของผู้กระทําเสียประโยชน์ความสุขเสียประโยชน์เสียเสียเสียสละประโยชน์ของตนมากก็จะได้บุญมากเสียประโยชน์สุขของตอนน้อยก็จะได้บุญน้อยบุญน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำบุญมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงนี่คือเป็นทรัพย์ภายใน ระดับที่สองระดับแรกคือมนุษย์ความสุขของมนุษย์นี้น้อยกว่าความสุขของเทวดาแล้วความสุขของเทวดานี้ก็จะน้อยกว่าความสุขของพรหมผู้ที่ได้ความสุขเทวดาแล้วก็อาจจะอยากได้ความสุขที่สูงกว่าก็สามารถสร้างทรัพย์ภายในในระดับของพรหมมาทรัพย์ได้วิธีที่จะสร้างทรัพย์ภายในระดับของพรหมมาทรัพย์ ก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าให้ขึ้นไปเป็นศีล8ศีล8หรือศีลสิ 10, หรือศีล227นี้เป็นศีลที่จะ ย, ยกระดับจิตของเทวดาให้ขึ้นไปสู่ระดับของพรหมพรหมนี้ก็มีอยู่สองระดับเรียกว่ารูปประพรหมกับอรูปประพรหมผู้ที่จะขึ้นสู่ ระดับพรมทั้งสองระดับนี้ได้นอกจากรักษาศีลแปดแล้วจำเป็นจะต้องมีการบำเพ็ญจิตตะภาวนาเรียกว่าพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้สงบขึ้นการพัฒนาจิตใจก็มีสองระดับระดับพรมก็เรียกว่าสมถภาวนาระดับพระอริยบุคคลก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนา อันนี้เป็นการยกระดับของจิตใจให้สูงกว่าการเป็นมนุษย์การเป็นเทวดาตอนต้นก็เป็นมนุษย์ก่อนรักษาความเป็นมนุษย์ไว้เพื่อที่จะได้มาสร้างทรัพย์ของเทวดาพอสร้างทรัพย์ของเทวดาได้ก็จะสามารถไปสร้างทรัพย์ของพรหมได้ เพราะว่าการสร้างทรัพย์ของพรหมก็ต้องถือศีลแปดก็ต้องมีศีลห้าไว้เป็นต้นทุนถ้ายัางรักษาศีลห้าไม่ได้ก็ยังจะไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่เทวทรัพย์หรือมนุษยทรัพย์ได้พอรักษาศีลห้าได้ก็จะก้าวอยู่ขึ้นอยู่ในมนุษยทรัพย์ แล้วก็สามารถจะไปทาบุญทำกุศลต่างๆได้พอได้เทวทรัพย์แล้วถ้าอยากจะได้ความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดแล้วก็ต้องมีการเจริญสมถะภาวนาคือการฝึกจิตทำจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิให้อยู่ในฌานขั้นต่างๆ พอจิตเข้าไปอยู่ในสมาธิในฌานขั้นต่างๆก็จะเข้าถึงระดับสวรรค์ชั้นปรมชั้นต่างๆได้นอันนี้คือการสร้างทรัพย์ที่สูงขึ้นไปจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการนักษาศีลเพราะว่าศีลห้านี้จะไม่มีกำลังที่จะสนับสนุนผู้ที่จะมาสร้างส ม, มถะภาวนามาเจริญส ม, มถะภาวนา จะต้องมาปฏิบัติธรรมกันนั่นเองผู้ที่จะปฏิบัติธรรมจําเป็นที่จะต้องละการหาความสุขทางร่างกายไปละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่ถือศีลแปดก็จะละไม่ได้เพราะว่าศีลห้าไม่ได้ห้าม ข้อาห้ามที่เกี่ยวกับเรื่องการหาความสุขทางร่างกายนั่นเองอยากจะกินอาหารเมื่อไหร่ก็ยังกินได้อยากจะดูหนังดูละครอยากจะไปเที่ยวตามที่ต่างๆก็ยังไปได้อยู่แต่ถ้าถือศีลแปดแล้วก็จะไปไม่ได้จะร่วมรับร่วมหลับนอนกับแฟนก็ไม่ได้ศีลแปข้อศีลข้อที่สมของศีลแปก็จะเปลี่ยนจาก กามสุมิชฌาจารามาเป็นอบาร拉รมจาริยากาเมสก็แปลว่าะจะร่วมหลับนอนกับเฉพาะคู่ครองของตนเท่านั้นแต่ถ้าเป็นอบ布ร拉รมจริยานี้ก็จะไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยแม้แต่หมอนข้างก็ไม่ควรมี<笑>เวลานอนคนเดียวก็อยา่าไปมีหมอนข้างถ้าถือศีลแปดเพราะว่า หมอนข้างนี้ก็เปรียบเหมือนกับเป็นตัวแทนของคู่ครองของตนฉะนั้นต้องไม่หาความสุขจากการกอดกันหาความสุขจากร่วมกอดหลับนอนด้วยกันอนอนก็แล้วก็ไม่ให้นอนมากให้นอนบนพื้นแข็งๆอย่าไปนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆเพราะจะทำให้นอนมากเกินไป ต้องการเอาเวลามาฝึกจิตมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบถ้ามัวแต่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก็จะไม่มีเวลาถ้าถือศีหน้าก็จะไปนอนกับแฟนได้ไปนอนบนเตียงใหญ่ๆฟุบ ห, หนาๆได้ก็จะนอนกันทั้งคืนจะตื่นมาก็สายโดแต่ถ้ามาถือศีนแปดนี้ก็จะนอนไม่มากนอนแค่น่าจะมีเวลา ตั้งแต่เที่ยงวันไปเลยเพราะหลังจากเที่ยงวันนี้กิจกรรมทางร่างกายนี้ให้งดทันทีหลังจากเที่ยงวันแล้วไม่ให้รับประทานอาหารไม่ให้ดื่มอะไรต่างๆที่มีรสชาติต่างๆเพราะถือว่าเป็นการสหาความสุขทางร่างกายผู้ที่ต้องการ พบมาทราบผู้ที่ต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบจําเป็นที่จะต้องยุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายจึงต้องถือศีลแปดศีลก็หกก็ไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วศีลก็เจ็ดก็ไม่ให้เสียเวลากับการไปดูมห์ลศพบันเทิงต่างๆไปดูหนังดูละครไปร่องลำทําเพลงไปเที่ยวบาร์เที่ยวผับนไป ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆแล้วก็ไม่ให้เสริมความงามเสียเวลากับการเสริมสวยความงามแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ่ า, าทำผมใช้น้ำมันใช้น้ำหอมต่างๆเพราะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขประเดียวประดาวให้มาหาความสุขที่ยาวนานกว่าที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ดีกว่า คือความสุขที่เกิดจากการมาปฏิบัติธรรมมาฝึกสติมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้เข้าสู่ฌานระดับต่างๆถ้าไม่ถือศีลแปดก็จะถูกเอาถูกความอยากดึงให้ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้มาอยู่วัดได้ผู้ที่ มาอยู่วัดได้ก็เพราะว่ามาถือศีลแปดได้นั่นเองมาละการไปหาความสุขทางร่างกายได้จึงมาอยู่วัดได้การปฏิบัติทรรการภาวนานี้ต้องมีที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติ ก็เหมือนกับการไปเรียนอะไรต่างๆเรามักจะต้องไปเรียนสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนเรียนโยคะเราก็ต้องไปที่ที่เข า, เาทำโยคะกันไปออกกำลังกายเราก็ต้องไปตามฟิตเนสกัน เ, เพราะว่าจะมีผู้รู้ผู้สอนวิธีกระทำที่ถูกต้อง การมาวัดก็เหมือนกันถ้าต้องการเจริญจิตตะภาวนาต้องการฝึกจิตทำจิตให้สงบที่ที่จะไปก็คือวัดวาต่างๆวัดที่มีสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลาจากแสงสีเสียงต่างๆ ถ้าเป็นวัดที่มีมหรสบบันเทิงมีงานศพมีอะไรต่างๆนี้ถือว่าไม่ได้เป็นวัดที่เหมาะต่อการเจริญจิตตภาวนาต้องไปหาวัดที่เงียบสงบวิเวกแล้วก็พูดอยู่ก็อยู่ด้วยความสงบไม่ส่งเสียงดังรบกวนกันไม่คุกคีกันไม่คุยกันไม่จับวงจับเขา่าสนทนาปาสายอะไรกัน ทุกคนแยกกันไปปฏิบัติถ้าอยู่ในระดับที่ปฏิบัติเองได้ถ้ายังปฏิบัติเองไม่ได้ก็จะมีการสอนเป็นกลุ่มก่อนเช่นเราไปเข้าคอร์ส ต, ต่างๆเขาจะมีการจัดหลักสูตรมีตารางเวลาของการปฏิบัติเตื่นตีสี่ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมรับประทานอาหารเช้าพักผ่อนทำความสะอาดสถานที่ เสร็จแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันเสร็จจากการรับประทานอาหารกลางวันก็ให้ไปพักผ่อนชั่วโมงกินแล้วอิ่มแล้วมันง่วงก็อาจจะอยากจะนอนก็ให้พักสักเดี๋ยวหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นก็ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมจนถึงเวลาเย็นก็ให้ไปถึงเวลาบ่ายเย็นก็ให้ช่วยกันทําความสะอาดสถานที่ที่พักหลังจากนั้นก็ให้อาบน้ํชาชําระร่างกายเสร็จแล้วก็ให้มาเข้าโบสมารวมกันไหวพ้พระสวดมนต์มานั่งสมาธิกันต่อ อันนี้สำหรับผู้ที่ฝึกขัดในเบื้องต้นผู้ที่ยังทําเองไม่เป็นแต่ต่อไปถ้าเริ่มทําเองเป็นแล้วถ้านั่งสมาธิเองได้แล้วจะรู้ว่าการปฏิบัติเป็นหมู่นี่มันถ่วงกันเพราะว่ามันต้องทําไปตามตารางแต่ถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติเองได้นี้จะสามารถที่จะเลือกเอาเวลามาปฏิบัติให้ได้มากขึ้น ถ้าปฏิบัติเองก็จะสามารถปรับตารางได้ปรับความต้องการต้องการนั่งให้นานขึ้นก็นั่งได้ต้องการเดินให้มากขึ้นก็จะเดินได้ฟังเทศให้น้อยลงก็ได้เพราะเมื่อรู้วิธีการปฏิบัติแล้วการฟังเทศก็อาจจะลดลงไปก็ได้เอาเวลาเพิ่มให้กับการปฏิบัติ แล้แทนที่จะมานั่งไหว้พระสวดมนต์ก็อาจจะไม่ต้องสวดมนต์ไหว้พระก็ได้ถ้านั่งสมาธิได้แล้วก็นั่งสมาธิเลยการไหวพ้พระสวดมนต์นี้เป็นการสนับสนุนให้ผู้ที่ยังนั่งสมาธิไม่ได้ให้สามารถนั่งเฉยๆให้ได้ก่อนด้วยการให้มาสวดมนต์ให้มีอะไรทํา ถ้านั่งเฉยๆไม่ได้สวดมนต์เดี๋ยวก็คิดอยากจะทำนู่นทำนี่ขึ้นมานั่งแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดลำคาญใจเดี๋ยวก็ทนนั่งไม่ได้ ก็เลยให้หัดสวดมนต์ไปก่อนให้ฝึกสติด้วยการสวดมนต์ไปก่อนพอมีสติพอที่จะควบคุมความคิดความอยากได้ก็จะสามารถนั่งสมาธิต่อไปได้พอนั่งสมาธิได้แล้วต่อไปไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้เวลาจะเริ่มนั่งสมาธิก็นั่งไปได้เลยแต่ถ้านั่งแล้วใจยังคิดมากอยู่ก็อาจจะกลับมาใช้การสวดมนต์เพื่อลั ง, งับความฟุ้งซ่านให้ลดน้อยลงไปก่อน ก็ได้อันนี้ผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติเองนี่สามารถปรับปรับตารางปรับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับเหตุการณ์จริงของตนได้แต่ถ้าไปปฏิบัติเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ต้องปฏิบัติไปตามตารางามันก็อาจจะทําให้บางทีรู้สึกว่ามันเนิ่นช้าเพราะต้องไปทําในสิ่งที่เราไม่ต้องทําแล้วแต่ถ้ายังปฏิบัติเองไม่ได้ก็จะดี กว่าการไปปฏิบัติคนเดียวไปปฏิบัติคนเดียวถ้าไม่รู้จักว่าปฏิบัติอะไรทำอะไรก็เดี๋ยวก็ไปนั่งคิดนั่งอะไรต่างๆแล้วถ้ามีโทรศัพท์มือถือดีไม่ดีก็ไปเปิดนั่งดูโทรศัพท์มือถือแทนที่จะนั่งสมาธิกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการฝึกจิตในเรื่องของการบาเพ็ญสมถภาวนา เพื่อทาจิตใจให้สงบเพื่อทาจิตใจให้เข้าสู่สมาธิเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้เพื่อจะได้รับทรัพย์คือพรห ม, มทรัพย์ได้อันนี้ต้องไปหาที่ที่เอื้อต่อต่อการปฏิบัติเนี่ยที่ที่เอื้อนี้ก็ต้องเป็นที่ที่สงบสงัดวิเวกไม่มีแสงสีเสียงอะไรมารบลวงมา รกวนใจมายั่วยวนกวนใจเพราะถ้าไปอยู่ที่ที่มีเสียงสีเสียงหรือมีกลิ่นอะไรต่างๆเช่นถ้าไปปฏิบัติที่บ้านถือศีลแปดที่บ้านนี้จะยากถ้าอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นก็เปิดทีวีดูเดี๋ยวคนอื่นก็กินอาหารเย็นเดี๋ยวคนอื่นก็เปิดเพลงฟังร้องรำทำเพลงเดี๋ยวใจของเราก็ทนไม่ไหว บางทีทนไหวอยู่เดี๋ยวเขาก็มาชวนมาเชิญอีกก็เลยบางทีงทขัดขัดศรัทธาไม่ได้ก็เลยไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมหรือรักษาศีลแปดได้นะครับดังนั้นการปฏิบัติเพื่อจิตใจให้สงบนี้จึงจาเป็นที่จะต้องไปหาสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกและสถานที่ถ้าอยู่ร่วมกันหลายคนก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันถ้า ถ้าเขาไม่ปฏิบัติเหมือนเราเขายังกินข้าวเย็นเขายังดูหนังฟังเพลงอยู่เดี๋ยวก็บวรบกวนกันจะทําให้ไม่สามารถปฏิบัติได้เราต้องไปอยู่วัดเพราะวัดนี้จะมีกฎระเบียบผู้ที่ไปอยู่วัดนี้ส่วนใหญ่ต้องถือศีลแปดขึ้นไปถ้าเป็นอุโ บ, บสกอุบาสิกาเขาให้ถือศีลแปดถ้าเป็นสัมมนเนิก็ถือศีลสิบถ้าเป็นพระภิกษุก็ให้ถือศีลสองร้อยยิบเจ็ด ก็จะอยู่ในอยู่ในภาคเดียวกันทากิจกรรมคล้ายเคงกันไม่รบกวนกันต้องมีสถานที่ที่สงบสงดัดแล้วก็ต้องข้อสำคัญต้องมีครูบาอาจารย์มีครูสอนเหมือนกับเราไปเรียนโยคะไปเรียนฟิตเนสนี่ยถ้าไม่มีครูสอนเดี๋ยวก็ทำไม่เป็นทำไม่ถูก ผลที่พึงจะได้รับก็จะไม่ได้รับนะก็จำเป็นจะต้องมีผู้สอนผู้สอนถ้ามีผู้สอนเขาก็จะได้บอกวิธีต่างๆและเวลาเราทาไม่ถูกเขาก็จะได้บอกว่าเราทาไม่ถูกให้เราแก้ไขได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีถ้าเราต้องการที่จะฝึกสมาธิฝึกจิตต้องมีผู้รู้ ที่ผ่านมาแล้วผู้มีความชำนาญถ้าไปเรียนกับผู้ที่ไม่รู้ไม่ชำนาญก็เหมือนคนตาบอดสอนคนตาบอดดีไม่ดีก็หลงทางกันได้นั่งแล้วก็นั่งไม่ตรงกับหลักของการนั่งแทนที่จะนั่งเพื่อจิตใจให้สงบให้เข้าฌานก็ไปนั่งดูผีดูนรกดูเทวดาดูอะไรต่างๆดูเลขดูหวยดูเบอร์ ถ้านั่งแบบนั้นก็เป็นการหลงทางผิดทางเนื อ, อนั่งแบบไม่มีสติกำกับใจนั่งแล้วก็ปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไนั่นก็โผล่ขึ้นมาไอ้นี่ก็โผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแลเดี๋ยวก็กลายเป็นคนเสียสติได้ถ้าไม่รู้เราไปหลงคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมา อันนี้ต้องศึกษาต้องมีคนสอนวิธีนั่งที่ถูกต้องและต้องรู้ว่าวเวลามีอะไรเกิดขึ้นมานี่จะต้องปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาภายในใจอย่างไรถ้าไม่ถ้าไม่มีใครสอนไปปฏิบัติเองเ เหตุการณ์ที่เราได้ยินว่าคนนั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าเนี่ยก็เพราะบางจะไม่ได้มีครูอาจารย์สอนเองพอนึกอยากจะนั่งสมาธิก็ไปนั่งเลยไปนั่งแล้วก็ไม่รู้ว่านั่งแล้วเห็นอะไรบ้างรู้อะไรบ้างแล้วที่รู้ที่เห็นมนก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเป็นอะไรก็อาจจะไปหลงคิดเป็นนู่นเป็นนี่ไปจนคนอื่นเขาเห็นแล้วว่ามันเพี้ยนไปซะแล้วไม่ได้เป็นเป็นคนปกติเสียแล้ว อันนี้เกิดขึ้นได้ถ้าปฏิบัติโดยที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาหรือไม่มีครูอาจารย์สอนการมีครูอาจารย์นี้ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีคนสอนเสมอไปเพราะครูบาอาจารย์ในรูปแบบของตํำรับตําราก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่ผู้อ่านตํำรับตํารานี้ต้องมีความฉลาดพอที่จะแปลความหมายของตําราที่อ่านได้อย่างถูกต้อง เหมือนกับคู่มือต่างๆที่เราได้มากับเวลาที่เราซื้ อ, อสินค้าต่างๆเห็นไหมซื้อโทรศัพท์มือถือมันก็มีคู่มือมาให้แต่เรามักจะไม่ค่อยอ่านกันเรามักจะใช้ไปหัดใช้ไปตามแบบแบบเล่นไปลองจิ้มนูน่นจิ้มนี่ไปเราจรึงไม่ค่อยได้รับประโยชน์จากเครื่องมือเครื่องใช้ที่เราซื้อมากันทักเท่าไหร่ ถ้าเราอ่านคู่มือเขาจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับการใช้สินค้าชนิดนั้นและถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะบอกวิธีแก้ปัญหาต่างๆได้นี่ลักษณะของคนที่ซื้อสินค้าแล้วไม่อ่านคู่มือพอเป็นอะไรไปก็โยนให้ช่างไปโยนกลับคืนไปให้ร้านเข้าไปแต่ถ้าอ่านเองบางทีไม่ต้องเสียเวลาอาจจะแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เพราะมีวิธีแก้อยู่ในคู่มือนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติทำนั่งสมาธิบางทีเราอาจจะไม่สามารถหาผู้สอนได้เราก็มีหนังสือที่สอนวิธีฝึกนั่งสมาธิก็ลองหามาอ่านดูหาเอาหนังสือจากของครูบาอาจารย์ที่มีผู้เคารพนับถือมีผู้เชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็จะไ ด, ได้ได้ความรู้ที่ไม่คลาดเคลื่อนถ้าไปเอาตำราของใครไม่รู้มาอ่านก็อาจจะหลงทางได้แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ควรที่จะไปศึกษากับครูกับอาจารย์ที่มีชื่อมีเสียงมีผู้นับถือมีผู้เชื่อถือรับประกันว่าเป็นผู้รู้ผู้สอนความจริงได้ ก็ลองไปศึกษาดูแต่ไม่ควรปฏิบัติโดยไม่ได้ศึกษาการปฏิบัตินี้จำเป็นจะต้องศึกษาเหมือนกับการเดินทางถ้าเราไม่ดูแผนที่เราขับรถไปโดยที่ไม่รู้ว่าจดหมายปลายทางที่เราต้องไปนี้อยู่ทิศเหนือหรือทิศใต้ พอเราเริ่มออกเดินทางเราก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ทิศเหนือนะเช่นเราอยากจะไปภูเก็ตแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ทิศเหนือก็ขับขึ้นขึ้นไปถนนขึ้นเหนือไปไปก็ไปไม่ถึงต้องดูแผนที่ก่อนดูว่าภูเก็ตนี่อยู่เหนือหรืออยู่ใต้ต้องว้นบนถนนสายไหนเบอร์อะไรถ้าขับรถถ้าจะขึ้นเครื่องต้องไปขึ้นที่ไหนต้องไปจองตั๋วที่ไหนต้องมีการเรียนรู้ก่อน รู้วิธีก่อนการศึกษาเพื่อนี้ต้องรู้จากวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องกันว่าเวลานั่งสมาธินี้จะต้องทําอย่างไรบ้างถึงจะทําใจให้สงบได้และเวลานั่งไปแล้วถ้าใจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาควรจะทําอย่างไรถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่งสมาธินี้จะต้องทําอย่างไรเอ อันนี้ต้องเรียนรู้ถ้าไม่เรียนรู้แล้วไปปฏิบัติเดี๋ยวก็จะเสียหายได้หลงทางได้ดังนั้นจําเป็นจะต้องเรียนรู้เรียนรู้จากครูหรือเรียนรู้จากตําราที่น่าเชื่อถือได้เมื่อได้เรียนรู้แล้วเวลาปฏิบัติก็จะได้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องผลที่ถูกต้องก็จะปรากฏขึ้นมาต่อไปได้เช่นการนั่งสมาธินี้ เป้าหมายคืออะไรการนั่งสมาธิก็เพื่อทำใจให้สงบความสงบของใจเราก็แบ่งเป็นขั้นขั้นเป็นเรียกว่าฌานฌานนี้แปลว่าความสงบฌานนี้มีถึงแปดขั้นด้วยกันแบ่งเป็นสองส่วนแบ่งเป็นรูปฌปานกับอารูปฌปานรูปฌปานก็มีสี่อารูปฌปานก็มีสี่ผู้ที่ได้ได้รูปฌปานหนึ่งสองสามสี่ ก็ถือว่าเป็นผู้ได้ได้พรหมมาทรัพย์จิตจะอยู่ในระดับของพรหมเวลาตายไปจิตก็จะไปเกิดเป็นพรหมทันทีไม่ต้องเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องเกิดเป็นเทวดาไปอยู่เป็นพรหมที่มีความสุขมากกว่าภพของมนุษย์ภพของเทวดาถ้าได้อรูปฌานสี่ก็จะได้ สวรรค์ชั้นอรูปประรมที่สูงกว่าที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ของรูปประรมอันนี้จะได้ฌานขั้นต่างๆนี้ก็คือต้องมีสติสติที่คอยควบคุมบังคับใจให้เพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อไม่ให้จิตคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆถ้าไม่มีสติแล้วนั่งไม่เพ่งดูอะไรไม่มีอะไรควบคุมใจใจก็จะคิดเลื่อยเปลื่อยไป ถ้าคิดเลื่อยเปื่อยนั่งไปกี่ชั่วโมงก็จะไม่สงบไม่สามารถเข้าฌานได้จิตก็จะไม่ได้ยกระดับขึ้นสู่ระดับพรหมโลกได้จะยกระดับจิตขึ้นสู่พรหมโลกนี้จาเป็นที่จะต้องมีสติสติคือผู้คือการระลึกรู้ให้จิตระลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวไม่ให้ไปคิดเลื่อยเปื่อยไม่ให้จิตลอยไปกับอดีตไม่ให้ลอยไปกับอนาคต ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันการที่จิตจะอยู่ปัจจุบันได้ต้องมีอะไรเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดติดยึดเหนี่ยวสิ่งที่จะเรียกสิ่งที่จะใช้ยึดเหนี่ยวเกาะยึดยึดเหนี่ยวของจิตใจเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราใช้ในการฝึกสตินี่เองมีอยู่4ี่สิชนิดกรรมฐานสี่สิบ แต่การปฏิบัติจริงๆเวลาใช้จริงๆใช้อันเดียวสี่สิบชนิดนี้มีไว้สําหรับคนต่างๆที่มีจริตต่างๆไม่เหมือนกันและมีระดับจิตมีระดับความสามารถที่ไม่เท่ากันเพราะกรรมฐานนี้นอกจากจะเป็นอารมณ์ของสมถะคือของฌานแล้วยังเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอีกด้วยคือเป็นอารมณ์ของการสร้างปัญญา แต่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนี้จะจะสนใจกับอารมณ์ที่จะทำให้เป็นฌานอารมณ์ที่จะทำให้เป็นฌานนี้ส่วนใหญ่จะรวมอยู่ในกลุ่มของอนุสติมีอยู่สิบประการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุตนาาสติอาณาปณะสติมรณ า, านุสติกายกตาสติเป็นต้นนี่นี่คืออารมณ์ที่เราสามารถใช้เป็นเครื่องผูกจิต ใ ห, ให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ลอยไปลอยมาเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบได้จิตจะเข้าฌานได้จิตจะต้องตั้งอยู่ในปัจจุบันและระ ง, งับความคิดปรุงแต่งต่างๆจิตจะอยู่ในปัจจุบันได้ต้องอาศัยกรรมฐานเป็นที่ดึงใจไว้โดยปกติใจนี้จะลอยไปลอยมาเหมือนเรือที่ไม่ได้ทอดสมอ เวลาที่เราต้องการให้เรือนี้จอดไม่ให้ลอยไปลอยมาเราต้องทอดสมอเรือหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องผูกเรือไว้กับท่าเรือถ้าไม่ผูกไว้เดี๋ยวกระแสน้ำไหลมาก็จะดึงให้เรือลอยไปตามกระแสน้ำ แต่ถ้าผูกไว้หรือทอดสมอเรือแล้วเรือจะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำฉันใดใจก็จะไม่ลอยไปกับอดีตไม่ลอยไปกับอนาคตไม่ลอยไปหาคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ามีกรรมฐานเป็นสมอเป็นสมอเป็นที่เกาะของจิตเนี่ยเวลานั่งสมาธินี้จิตต้องมีสติก่อน ต้องมีกำลังที่จะควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดไปกับอารมณ์ต่างๆจึงต้องฝึกสติก่อนด้วยการฝึกกรรมฐานนี่เองเขาเรียกว่ากรรมฐานให้จิตยึดกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งถ้าชอบพุทธานุสติก็จะใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจก็ได้ถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ ยะไปอดีตก็ไปไม่ได้ไปอนาคตก็ไปไม่ได้เพราะต้องพุโทโธพุโทโธอยู่ภายในใจนั่นเองถ้าไม่พุโทโธปั๊บเดี๋ยวมันไปทันทีเดี๋ยวไปอดีตเดี๋ยวไปอนาคตเดี๋ยวไปที่โน่นเดี๋ยวไปที่นี่แต่ถ้ามีพุโทโธพุโทโธมันก็จะกลับมาที่ปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งกับพุโทโธนี้ดีตรงที่ว่าสามารถใช้ได้ตลอดเวลาคือ ไม่ต้องไม่ต้องใช้เฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิเวลาไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ฝึกสติได้เวลาเราตื่นขึ้นมาลืมตาปั๊บเนี่ยพอใจจะลอยไปกับอดีตอนาคตก็ดึงมันกลับมาได้ด้วยพุโทโธพุโทโธ ลืมตาขึ้นมาพอจะคิดเรื่องราวไรสาระต่างๆก็พุทโธพุทโธหยุดมันเวลาลุกขึ้นไปทำกิจอาบน้ำอาบทา่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็ใช้พุทโธพุทโธไปคอยดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้ไปอดีตไปอนาคตเนี่ยถ้าคอยดึงอยู่เรื่อยๆต่อไปจิตมันจะตั้งอยู่กับที่มันจะไม่ลอยไปเหมือนกับเรือที่มันจะไม่ไหลไปตามกระแสนา้า กอเรือไม่ไหลไปตามกระแสะน้าเราก็สามารถถ่า ย, ายผู้ได้สารขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือได้ฉะนั้นใดเวลานั่งสมาธิเราก็ต้องการที่จะทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบเพื่อเราจะได้ขนถ่ายความวุ่นวายต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วก็ใจจะได้ว่างใจจะได้เย็นใจจะได้สงบนั่นเองอนี่คือ เรื่องของการฝึกจิตต้องการที่จะทำให้จิตนิ่งให้สงบเพราะว่าความนิ่งความสงบของจิตนี้จะทาให้จิตพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เรียกว่าลดแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงก็คือลดของความสงบนี่แหละที่เป็นลดแห่งธรรมที่เหนือกว่าลดทั้งปวง เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสเป็นเหมือนเหมือนกับฟ้ากับดินความสุขที่ยิ่งใหญ่และยาวนานกว่าและปลอดภัยด้วยความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญนี่เป็นความสุขประเดี๋ยวประดาแล้วก็เป็นความสุขที่มีภัยตามมามีความทุกข์มีความวิตกกังวลมีความเศร้าโศกเสียใจตามมา เพเป็นความสุขชั่วคราวพอเวลาได้ก็ดีอกดีใจพอเสียไปก็จะเศร้าโศกเสียใจแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะไม่มีผลเสียตามมาจะมีแต่ความสุขล้วนๆที่จะทําให้เรานี้มีความอิ่มเอิบใจสุขใจพอใจที่จะทําให้เราไม่ต้องการที่จะมีอะไรอีกต่อไปใครได้สัมผัสกับลดแห่งธรรมแล้วจะเกิดมี ความยินดีในรถแห่งธรรมจะเปลี่ยนการหาความสุขเมื่อก่อนคอยหาความสุขจากการไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปซื้อข้าวซื้อของไปเป็นอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนเป้าหมายของการหาความสุขไปหาความสุขจากการฝึกจิตทำจิตให้สงบดีกว่า พราะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ดีกว่าที่ปลอดภัยกว่าหน้าที่ท้าวรกว่าใครได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วนี้ชีวิตจะพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังมือไปคอเปนคนปเยเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวไปกินไปดื่มนิจกลายเป็นคนไม่ชอบเที่ยวไม่กินไม่ดื่มเป็นคนที่ชอบไปอยู่วัดไปหาความสงบเพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเอง นี่ะคือเป้าหมายของการฝึกสมาธิฝึกจิตในเบื้องต้นเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะได้พรมัตรั์ได้รูปัพทัได้อรูปปอรูปปภมหรืออรูรูปรภมหรืออรูปปภ ม, ออปปมขึ้นอยู่กับกำลังของสติว่าสามารถที่จะทาจิตให้นิ่งสงบได้ในระดับฌานขั้นไหนก็มีอยู่8ขั้นด้วยกัน แล้วก็นี่ก็เป็นผมมทรัพย์แล้วถ้าต้องการที่จะพัฒนาผมมาซั์นี่ให้กลายเป็นอริยะซั์ก็ต้องฝึกการภาวนาอีกระดับหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาการแรกเรามาหัดสมถธภาวนาก่อนมาฝึกทําสมาธิทําใจให้สงบให้เป็นฌานให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก่อน พอเราได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วขั้นต่อไปเราก็มาฝึกวิปัสสนาเพื่อรักษา ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ให้เป็นความสุขที่ถาวรต่อไปเพราะว่าความสุขที่เราได้จากสมาธิหรือได้จากฌานนี้มันจะยังเสื่อมได้พอเราออกจากสมาธิมาเดี๋ยวความสุขที่ได้นั้นก็ค่อยจางหายไปเพราะเราจะมาคิดปรุงแต่งเราจะมีอารมณ์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้วิธีที่จะทำให้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่หายไป เราต้องมาเ จ, จเริญวิปัสสนาภาวนาคือมาเรียนรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ความสงบที่ได้จากสมาธิมันเสื่อมไปถ้าเรียนรู้ก็จะรู้ว่าเหตุที่ทำให้ ความสุขที่ได้จากสมาธิเสื่อมไปก็คือความอยากต่างๆนี่อยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เนี่ยพอจากสมาธิป่าปั๊บเดี๋ยวอยากจะเปิดมือถือแล้วอยากจะดูว่าใครส่งข่าวมามั่งนะหรืออยากจะดื่มกาแฟขึ้นมาแล้วอยากจะกินขนมขึ้นมาเนี่ย เอามีความอยากเหล่านี้ใจก็กระเพิ่อมความสุขที่ได้ก็หายไปถ้าอยากจะทำให้ใจไม่กระเพิ่มก็ต้องหาวิธีหยุดความอยากเหล่านี้วิธีหยุดความอยากก็ต้องใช้ความจริงมาหยุดมัน คือความจริงคืออะไรคือความจริงของความสุขเหล่านี้ว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบควันไฟที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลามันหมดไปเวลาได้มาก็ดีใจพอเวลามันหมดไปก็เสียใจต้องให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงต้องให้เห็นว่าเราควบคุมไปสั่งให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดเวลาไม่ได้เป็นอนัตตา พอมันไม่เป็นตามที่เราต้องการมันก็จะทำให้เราทุกข์ทำให้เราเสียใจ พอเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่เอาดีกว่าถ้ารู้ว่าได้มาแล้วจะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจในภายหลังเอามาทําไมถึงแม้ว่าจะได้ความสุขก็เป็นแบบความสุขแบบยาขมเครือบน้ําตาลหวานเดี๋ยวเดียวพอน้ําตาลละลายไปก็กลายเป็นอายาขมขึ้นมาขมแล้วก็มีปัญหา เกินไม่เข้าคลายไม่ออกอีกก็ต้องทนอยู่ก็มันไปพิจารณาอย่างนี้ด้วยปัญญาแล้วต่อไปเวลาเกิดความอยากได้สิ่งต่างๆโืย อ, อยากทำอะไรก็จะ หยุดทำหรือไม่กล้าทำเพราะกลัวความทุกข์ที่จะตามมานั่นเองอันนี้พอเราหยุดความอยากได้ความอยากที่จะมาทำลายความสงบก็ทำลายไม่ได้ความสงบที่ได้จากคว า, ความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะอยู่ต่อไปแล้วจะอยู่ไปแบบถาวรนถ้าเราสามารถทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ พอใจทําลายความอยากได้ใจก็จะได้ความสุขแบบถาวรความสุขแบบถาวรนี่แหละที่ท่านเรียกว่านิพพานนิบานังปรมังสุขขังความสุขของนิพพานนี้เป็นบรมสุขเนี่ยนิพพานนี่เป็นบรมสุขนิพพานก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ได้กําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนั่นเองพอจิตเป็นนิพพานแล้วก็ได้ความสุขที่ถาวรแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไป จะ อ, อยู่กับความสุขนี้ไปตลอดอนันตการไม่จำเป็นที่จะต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายเพื่อมาหาความสุขแบบที่เรากำลังหากันอยู่ตอนนี้เพราะผู้ที่ได้ความสุขของพระนิพพานแล้วไม่ต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปเมื่อไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขก็ไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไปเมื่อไ ม, ม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทุกข์เนี่ยอันนี้แหละคือวิธี ที่จะทำให้จิตของเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการมาปฏิบัติตามคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อสร้างทรัพย์ภายในต่างๆขึ้นมาตามลำดับด้วยการละการกระทำบาปทั้งปวงโดยการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์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 ยะถาวาริวาหาปุราปาริบุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปการปติยิชิตังปฏิตังต um ุมหังคิดป้เมวาสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาทานาสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมะวาทานติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟ c บุ o o สามร้อยยี่สิบสี่คนู YouTube. 225คนวิทยุออนไลน์24คนผู้รับฟังบนเขา117คนรวมทั้งหมด690คนครับช่วงนี้เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้เอาคำถามจากทางบ้านก่อนก็แล้วกัน คำถามจากเฟซบุกค่ะดิฉันเป็นคนที่ต้องเจอเหตุการณ์รุนแรงกับตัวเองก่อนจึงจะเข้าใจธรรมะแต่ละข้อได้ทำอย่างไรจึงจะมีปัญญาคิดได้ก่อนเกิดเหตุการณ์รุนแรงเจ้าคะความจริงเขาก็พูดอยู่แล้วทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดคนเราทําให้ทุกข์แล้วมันจะไม่ค่อยคิดกันมันต้องเจอความทุกข์ก่อนแล้วถึงเอมาคิดไว้ทาไมเราทุกข์ทุกข์เพราะอะไร งั้อย่าไปกลัวความทุกข์ขอให้ถือว่าเป็นความทุกข์นี้เป็นเหมือนกับหินรับปัญญาแต่ถ้าเราเราสามารถรับปัญญาโดยไม่มใช้ความทุกข์ได้ก็ดีคือเราต้องขยันศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆอย่างนี้เราก็จะมีปัญญาก่อนที่จะเกิด เ, เกิดความทุกข์เข้ามามากระตุ้นให้เราเกิดปัญญาก็ได้ แต่โดยธรรมชาติของพวกเราส่วนใหญ่มักจะขี้เกียจกันไม่ชอบหาปัญญากันถ้าไฟไม่ลนก้นมันจะไม่ขยับกันถ้าเราอยู่สุขสบายแล้วเราก็จะติดกับสุขกวามสุขความสบายที่เรามีอยู่เราก็พอใจกับมันก็เลยไม่คิดขวนขวายเพราะไม่มีปัญหาให้แก้มันต้องมีปัญหาก่อนมันถึงจะมาะมากระตุ้นให้เราไปแก้ปัญหากัน การไปแก้ปัญหาก็ต้องศึกษาดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้ววิธีใดที่จะทำให้ปัญหานั้นหายไปอันนี้เป็นกระบวนการของปัญญานักปราชญ์ท่านถึงพูดว่าทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดฉะนั้นอย่าไปกลัวความทุกข์อย่าไปกลัวปัญหาขอให้คิดว่าความทุกข์ปัญหานี้เป็นเหมือนหินรับสติปัญญาของเราคำถามจากคุณคงพัก เราจะทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าเราต้องปฏิบัติกรรมฐานใดที่เหมาะกับจริตเราให้การภาวนาได้ก้าวหน้าขึ้นคะเบื้องต้นก็มีกรรมฐานง่ายๆที่เราทุกคนเริ่มกันเหมือนกอไก่ขอไข่คือพุทธานุสติ หรือธรรมนุสติสังขานุสติอย่างถ้าเราไปวัดก็ก็จะให้เราจเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติก็คือให้บวชให้สวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณไปก่อนให้เรามีความผูกพันกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรา และเป็นผู้ปลุกสติให้กับเราทุกครั้งที่เรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่อยากจะสวดยาวเราก็ระลึกแต่ชื่อก็ได้พุโทโธธรรมโมสังโฆไปแต่ไม่ใช่แค่สามคำแล้วก็หยุดนะหมายถึงต้องระลึกไปเป็นนาทีเป็นชั่วโมงจิตมันถึงจะมีสติจิตมันถึงจะมีความสงบได้ ไม่ใช่เอาพุทโธทำโมสังโฆแล้วก็หยุดยนี่ไม่พอเหมือนแตะเบรกปั๊บแล้วจะให้แล้วก็ปล่อยเบรกแล้วจะให้รถมันหยุดมันหยุดไม่ได้จะให้รถมันหยุดต้องเหยียบเบรกไปจนกว่ารถมันจะหยุดนะถึงจะถอนเบรกได้ยันใดถ้าเราต้องการฝึกจิตให้สงบเราก็ต้องพุทโธหรือธทำโมสังโฆหรือสวดบทอิทธิปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปเรื่อยๆ จนกว่าจิตจะลั ง, งับความคิดฟุ้งซ่านต่างๆได้อันนี้ก็เป็นกรรมฐานเบื้องต้นนะก็คือพุทธานุสติหรือธรรมานุสติธรรมานุสติอาจจะอยู่ในรูปแบบของการฟังธรรมก็ได้ ทุกครั้งที่เราฟังเทศฟังธรรมก็เท่ากับเราได้เจริญธรรมานุสติธรรมานุสติก็คือคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เองแสงคานุสติก็คือเวลาเราเข้าหาครูบาอาจารย์ไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมกับจากท่านก็เรียกว่าสังคานุสติก็ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราก็ต้องเราลึกพุโทโธพุธโทโธไปถ้าไม่ชอบพุโทโธก็ทำโมไป ไม่ชอบทรโมก็สังโฆไปไม่ชอบทั้งสามก็สวดไปติปิโสภากวาทั้งถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนมาการใช้กายยกตรานสติคือดูอิรยยบทสี่ของร่างกายร่างกายกำเดินก็เดินไปกับร่างกายร่างกายยืนก็ยืนไปกับร่างกายร่างกายทำอะไรก็ทำไปกับร่างกายอย่าให้ใจไปห่างไกลจากร่างกายอย่างนี้ก็เป็นการฝึกสติได้ น, นี้คือวิธีศึกสติต่างๆยันธรรมะนี่เราต้องเข้าไปสำนักปฏิบัติแล้วก็ไปฟังไปดูเขาสอนไปลองดูถ้าเราศึกษาเองมันอาจจะงงไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนดีก็ลองไปตามสำนักต่างๆที่เ็ามีจัดหลักสูตรสามวันเจดวันปฏิบัติทาดูว่าสานักไหนถูกกับเราเราก็เอาวิธีของสำนักนั้นมาปฏิบัติก็ได้ ถ้าที่นี่ก็เปียงแต่สอนให้ใช้พุทธไตรละเลิกพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆแล้วเวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้เวลานั่งสมาธิถ้าไม่ใช้พุทโธก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกดูที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาก็จะเป็นการฝึกสมาธิในเบื้องต้นได้ คำถามจากคุณบุญเสริมค่ะขันห้ากับตันหาเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับ อ, อ๋อตันหาคือความอยากต่างๆขันห้าก็เป็นเครื่องมือที่ตันหาใช้เป็นเครื่องมือตันหาความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขก็ใช้ขันห้าไปหามาให้เช่นคุณอยากไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงนี่ก็คือตัหา อยากเที่ยวดูหนังฟังเพลงก็ต้องมีตาหูจมูกริ้นกายถึงจะไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงได้การหน้าก็คือรูปคือร่างกายวิธนาสัญญาสังขารก็คือความรู้สึกนึกคิดที่ติดไปกับร่างกายไปกับร่างกายความรู้สึกนึกคิดเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปหาสิ่งที่ใจอยากอยากได้ คือตันหาอยากได้อะไรความรู้สึกนึกคิดก็สั่งให้ร่างกายไปหามาอยากจะไปเที่ยวมันก็สั่งให้ร่างกายาพาไปผูป้สั่งก็คือความรู้สึกนึกคิดคือนา ม, มาขันผู้รับคําสั่งก็คือรูปประคันคือร่างกายคําถามจากคุณสุบินค่ะ การที่ลูกได้มีโอกาสทำบุญฟังธรรมะกับพระสายหลวงปู่มั่นตรงจริตจิตคล้อยตามไม่มีข้อสงสัยใยใจแปลว่าอดีตชาติก่อนลูกเคยทำบุญร่วมกับท่านมาอันนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจสนใจในปัจจุบันแล้วกันว่ามันดีแล้วไม่ดีมันเป็นประโยชน์แล้อไม่เป็นประโยชน์อดีตนี้ถ้าเรา ล, ลืกชาติไม่ได้ก็เป็นการ เป็นการโน่นเดาไปเสียเวลาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้ไม่ ร, มรู้เป็นอดีตไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้รู้ปัจจุบันว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเท่านั้นก็พอถ้าเป็นโทษก็อย่าไปทํามันถ้าเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ทํามันไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะหนูมีความทุกข์เรื่องหนี้สินเรื่องลูกเนื่องจากครอบครัวแต่แฟน หนูจะคอยปลอบบอกให้ปล่อยวางแต่หนูก็ไปใส่อารมณ์กับเขาเพราะเขาชอบปฏิบัติธรรมหนูไม่ฟังเขาหนูควรจะทําอย่างไรดีเจ้าคะหนูไม่ฟังหนูก็เอาอะไรอุดหูไว้จะได้ไม่ได้ยินหนูจะได้ไม่มีอารมณ์วุ่นวายถ้าหนูไม่ฟังเขาก็หนูก็ต้องหาวิธีอุดหูไว้จะได้ไม่ได้ยินเสียงเขา แต่เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดหรือไม่พูดหรือพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรนี้มันเป็นเรื่องของเขาเราอยู่ในโลกนี้เราต้องพยายามปรับตัวเราเองให้เข้ากับสิ่งที่มากระทบกับเราให้ได้อย่าไปเกิดอารมณ์กับสิ่งที่มากระทบกับเราไม่ว่าในทางดีหรือทางไม่ดีก็ไม่ควรที่จะไป ส่วนใหญ่เรามักจะชอบของดีพอเจอของไม่ดีของไม่ชอบก็เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจเราต้องปรับใจให้เฉยๆทั้งกับสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะถ้าเราไปชอบแล้วไปยินดีเดี๋ยวเวลาไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะยินร้ายขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มียินดียินร้ายมันก็จะเฉยเวลาที่เราเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่เดียวชอบหรือไม่ชอบ การจะทําให้จิตใจเราเฉยๆได้เราต้องไปฝึกสมาธิกันให้จิตมีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วจิตจะเฉยจะไม่ยินดียินร้ายใครจะพูดอะไรก็พูดไปเรื่องของเขาใครจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราดูจิตของเราตัวเดียวอย่าให้มันไปวุ่นวายกับเขาก็จบท่านั้นเองคําถามจากคุณซางค่ะ กระผมภาวนาพุทโธพุทโธบางครั้งรู้สึกอึดอัดเครียดเหมือนใจอยากจะคิดเรื่องอื่นแต่ไม่ให้มันคิดมันก็ยิ่งเครียดต้องภาวนาไปเรื่อยๆหรือยอย่างไรขอรับรต้องหยุดคิดอย่าไปคิดยิ่งคิดแล้วยิ่งคิดแล้วเครียดคิดไปทําไมก็รู้อยู่แล้วเหมือนฟืนเนี่ยถ้าโยนเข้าไปในกองไฟไฟมันก็ยิ่งลุกใหญ่ถ้าไม่อยากให้กองกองไฟลุกก็อย่าโยนฟืนเข้าไปในกองไฟ เดี๋ยวพอไฟไม่มีฟืนมันก็ระ ง, งับดับไปเองความเครียดต่างๆคิดจะก็จากความคิดความอยากของเราคิดก่อนแล้วก็อยากตามพออยากก็เครียดขึ้นมาเหตนต้องหยุดความคิดก่อนถ้าเราไม่รู้จักวิธีสอนให้มันคิดไปในทางที่ไม่เครียดได้หยุดความคิดพุทโธพุทโธพุทโธสวดมนต์ไปก็ได้หาอะไรให้จิตทาแทนที่จะให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆ พอไม่คิดเรื่องราวต่างๆความเครดต่างๆก็จะหายไปคำถามจากคุณสุบินคะ่ะใกล้เทศกาลสาจีนพ่อแม่เคยไหว้ของวันละสามเวลาลูกฟังธรรมะเข้าใจว่าของนั้นเอามาทำบุญใส่บาตรอุทิศบุญให้ญาติผู้ล่วงลับถึงจะถูกลูกไหว้เช้าครั้งเดียวก็นิมนต์พระมารับสังฆทานอย่างนี้ผิดไหมครับ ก็ไม่เห็นผิดตรงไหนนี่ก็ทําบุญสังฆทานก็ถูกยังจะว่าเพื่อไม่ให้เสียเสียความรู้สึกต่อผู้อื่นก็ทําไปถึงแม้เราไม่เชื่อเราก็ไม่ควรลบหลู่ถ้าเรายังอยู่กับเขาอยู่ก็อย่าไปทําให้เขาเสีย อ, อกเสียใจจากการที่เราไม่เชื่อเขาพอเราทําอะไรได้ก็ทํากันไป เพื่อให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ประโยชน์จริงๆก็เกิดจากการทําบุญการไหว้นี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรหมดแล้วหร ย, ยังครัอาจารย์คําถามจากคุณกาลยาณีการที่ผู้พิพากษาลงโทษประหารชีวิตผู้กระทําผิดจริงๆจะบาปไหมแต่ผู้พิพากษาไม่ได้เป็นผู้ทําการประหารเองเพราะเป็นเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ก็มีส่วนในการทําให้เขาตายเพราะเป็นเหมือนเป็นผู้สั่งให้เขาฆ่าเพชฌฆาเขาทําสารไม่ตัดสินไม่สั่งให้ฆ่าเขาก็ไม่ฆ่านั้นจะฆ่าเองก็ดีหรือสั่งให้เขาฆ่าก็ดีก็ถือว่าเป็นบาปเหมือนกัน แต่ทางโลกเขาอาจจะถือว่าไม่ผิดกฎหมายเขาไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเขาก็ทำกันไปแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความเชื่อในกฎแห่งกรรมก็อาจจะเปลี่ยนอาชีพดีกว่าเป็นอาชีพถึงแม้เป็นผู้ไปพิากษาเดี๋ยวไ ป, ไปสั่งให้เขาประหารชีวิตนี่เราก็มีส่วนที่ทำให้เขาทำการประหารชีวิตคำถามจากคุณปริมค่ะ ยุคนี้เป็นยุคกึ่งพุท ธ, ธกาลช่วงเวลาต่อจากนี้จนสิ้นสุดศาสนาพุทธศาสนิกชนจะอยู่ยากจริงไหมเจ้าคะเพราะสถานการณ์ปัจจุบันมีคนจิตใจโหดร้ายมากขึ้นมากขึ้นก็คนห่างจากวัดจากวาจากศาสนามากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปศาสนาก็จะเล็กลงเล็กลงไป ก่อนที่จะเข้าวัดศึกษาปฏิบัติธรรมรักษาศีลละการการทำบาปทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะน้อยลงไปจิตใจก็จะโลภโกรธหลงมากขึ้นไรความเมตตามากขึ้นมีความโหดเที่ยมทารุณมากขึ้นไปตามลำดับน<ม>ะคำถามครับจ้าหมดแล้วคำถามมีใครอยากจะถามอีกไหมเดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปหนะ่อย ่วยพูดใกล้ใกล้ปากดังๆหน่อยน่ะจะได้ยินเสียงค่ะพี่สาวพึ่งเสียชีวิตนะคะท่านอาจารย์แล้วก็แฟนของพี่สาวอ่ะค่ะก็ทุกข์ใจเศร้าโศกแล้วก็ตอมใจอะคะ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าแฟนของพี่สาวมาปรึกษาทางครอบครัวเราอะคะ<ม>่ะเราพอจะช่วยพูดยังไงให้เขาคลายทุกข์ใจลงได้บ้างอะคะอ๋อก็อยู่ที่เขาจะฟังหรือไม่ฟังเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็พูดตามคาสอนของพระเจ้าเนี่ย พระเจ้าสอนว่าเราเกิดมาแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ความเจ็บความตายลงพ้นความพัดภาคจากกันไปไม่ได้อันนี้คือสัจธรรมความจริงก็บอกเขาไปทุกคนต้องตายเหมือนกันหมดไม่ใช่เฉพาะพี่สาวอย่างเดียวเดี๋ยวตัวเขาก็ต้องตายเดี๋ยวตัวเราก็ต้องตายทุกคนต้องตายหมดแต่ผู้ที่ตายไม่ใช่เราให้เรารู้ไว้ว่าคนที่ตายเป็นตายเพียงแต่ร่างกาย แต่เจ้าของร่างกายคือจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้จิตใจเมื่อคนรับใช้ตายไปจิตใจที่เป็นเจ้านายก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไ ป, ไปหาคนใช้อันใหม่เขาบอกเขาไปงั้นอาจจะช่วยบรรเทาได้ว่าว่าพี่สาวไม่ได้ตายหรอกที่ตายเป็นเพียงคนรับใช้ของพี่สาวร่างกายเป็นคนรับใช้จิตใจร่างกายของเราของคุณก็เหมือนกันต่อไปก็ก็จะต้องตาย ถ้าคนก็จะต้องไปหาคนรับใช้คนใหม่ตอนนี้คนมีร่างกายเป็นคนรับใช้อยู่ตอนนี้เดี๋ยวร่างกายคนรับใช้คนนี้ก็จะต้องตายพอต้องตายคุณก็แปเปลี่ยนไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ต่อไปพูดอย่างนี้เขาอาจจะหูตาสว่างขึ้นมาว่าอาไม่มีใครไม่มีใครตายเนี่ยว่้ที่ตายก็คือคนรับใช้ของเขานท่านั้นเองร่างกายของพ่อแม่ก็เป็นคนรับใช้ของพ่อแม่ร่างกายของภรรยาก็เป็นคน รับใช้ของภรรยาแต่เวลาร่างกายของพ่อแม่หรือของภรรยาตายไปก็ตายเพียงเพียงแต่คนรับใช้ท่านหนึ่งคนที่ใช้คนที่เป็นเจ้านายของร่างกายไม่ได้ตายไปด้วยเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาะถ้าเขาเชื่อก็อาจจะทําให้ใจเขาเบาหายหายเศร้าโศกได้ถ้าเขาไม่เชื่อก็เป็นกรรมของเขาไปเราบอกได้ แต่เราอย่าไปอยากให้เขาเชื่อเพราะเราจะเครียดไปกับเดี๋ยวจะโกรธเขาสิเอเราบอกเขาแล้วเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่ถ้าเขามาขอคําปรึกษาเราก็บอกให้เขาไปถ้าเขาไม่ขอคําปรึกษาก็อย่าไปพูดให้เสียเวลาเดี๋ยวจะทําให้เขาลาคาญหรือทําให้เขาคิดว่าเราจะมาอาล้างสมองเขาก็ได้เอออ อาร จ, จะสอนใครต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะรับคำสั่งคำสอนของเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่พร้อมก็อย่าไปพูดเหมือนเวลาจะเทน้ำให้คนเขามาขอน้ำก็ต้องดูว่าแก้วที่เขามาลองรับน้ำนี่หงายหรือคว่มอยู่ถ้าก็คว่มแก้วอยู่ก็อย่าไปเทน้ำไม่เสียเวลาเสียดายน้ำถ้าเขาหงายแก้วแสดงว่าเขาอยากจะได้น้ำก็เทใส่แก้วเขาไปถ้าเขาอยากจะฟังก็ามาถามว่า คนตายไปในี้อะไรตายทำไมเราต้องเศร้าโศกเสียใจก็อธิบายเขาฟังไปว่าเราหลงไปคิดว่าเป็นแฟนเราวามจริงคนที่ตายไปเป็นเพียงแต่คนรับใช้ของแฟนเราอีกครึ่งหนึ่งคือตัวแฟนเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายคำถามจากคุณธรรมนาพัทนค่ะ หากเวลานั่งสมาธิแล้วง่วงเราควรอดทนนั่งต่อเพื่อให้ผ่านมันไปได้หรือเปลี่ยนไปเดินจงกรมดีเจ้าคะก็ได้ทั้งสองอย่างแล้วเราทนสู้ต่อไปจนกระทั่งมันหายง่วงแล้วมันสงบได้ก็ใช้ได้หรือถ้าไม่ไหวนั่งแล้วจะหลับอย่างเดียวก็ลุกไปเดินก่อนแล้วแต่ความสามารถ บางคนก็สามารถปลุกให้จิตเติ่นขึ้นมาในขณะที่นั่งได้ก็นั่งต่อไปได้บางคนปลุกไม่เติ่นต้องลุกเดินก็ต้องลุกไปเดินขนาดเดินยังล้มจะหลับยังไม่ได้ก็แล้วแต่อันนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามความขยามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นต้องคอยเติ่นใจอยู่เรื่อย ถ้าไม่คอยไม่มีเพียมเพียนไปยาไม่สู้สัอย่างพอจะอุปสรรคก็ยกธงขาวนี้ก็ไม่มีวันที่จะก้าวหน้าไปได้คำถามจากคุณจิรวดีค่ะโยมพิจารณาอสุภะแล้วพาศแล้วเห็นแล้วว่าธาตุสี่มารวมกันลมหายใจออกก็ตายแต่ก็ยังติดรักสวยรักงามอยู่ค่ะ โยมควรทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ดูบ่อยๆเสียร่างกายที่เราไปรักษาให้มันสวยมันงามข้างใต้ผิวหนังมันเป็นอะไรเมันการลักแขนกระเป๋าสวยๆนองเปิดก็ไปดูถ้ามีอุจจระอยู่ในกระเป๋าก็ไม่อยากจะได้นะร่างกายที่สวยๆของางามนี้มันมีอุจจาระหรือเปล่ามันมีปัสสาวะหรือเปล่ามันมีเลือดหรือเปลาเลือดน้ําหนองน้ําอะไรหรือเปล่า ไม่ดูอย่างต้องดูตอนที่มันเกิดความรักสวยรักงามเสียยับตอนที่เราไปดูมันยังไม่มีความรักสวยรักงามต้องเอาตอนที่มันอยากจะแต่งตัวมันกําลังแต่งให้สร้างศพนี่ยังไงกําลังแต่งให้โครงกระดูกนี่ยังไงกําลังแต่งให้ตับไตไส้พุงเนอะต้องต้องใช้ตอนที่มันเกิดความอยากขึ้นมาไม่ใช่ไปดูตอนที่ไม่อยากมันก็ดูได้ ดูนั่นเป็นเพื่อไปเอาเครื่องมือมาเครื่องมือที่จะมาใช้สู้กับความอยากเวลาอยากสวยปั๊บก็ต้องนึกถึงว่ากําลังจะแต่งตัวให้อะไรแต่งให้โครงกระดูกหรือแต่งให้ปอดหรือให้ตับให้ไตหรือให้อุจจาร ะ, ะหรือปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ในร่างกายนี้ทั้งนั้น ให้พูดให้ใช้อย่างนี้มันถึงจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาถ้าไปดูแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมได้พอถึงเกิดความอยากสวยอยากงามก็ยังลืมไปว่ากาลังแต่งตัวให้กับศพดีๆนี่ศพเดินได้ศพที่ยังหายใจได้หมดทั้งหลายคำถามค่ะพระอาจารย์ถ้าหมดก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิจนิพจณาไปปฏิบัต